อายตนะภายในได้แก่จิตนะเอเอกิดพร้อมกันนั่นแหละแต่จิตนี้เป็นอายตนะภายในธรรมรมคือเจตสิกเป็นอายตนะภายนอกอันตัญหามันก็เกิดทั้งอายตนะภายในและภายนอกคำว่าภายนอกก็คือถ้าสีของตัวด้วยนะแล้วของคนอื่นด้วยนะติดใจทั้งสีของตัวเองและสีของคนอื่นเสียงของตัวเองและก็เสียงของคนอื่นอันตัญหาเนี่ยเกิดได้หมดเลยนะ รกชัดเพราะฉะนั้นหมู่สัตว์เนี่ยยุ่งเหยิงแล้วด้วยชัดคือตัณหาอันเกิดขึ้นอย่างนี้เห็นไหมเกิดบ่อยเกิดมากเกิดเป็นปกติเลยว่างั้นเถอะก็คิ ด, ดูนะว่าตัณหามันเกิดมากๆอย่างนี้นี่แหละว่างั้นที่สุดแห่งวัตถุทุกจริงอยู่ที่ไหนเคยถามไหมเพราะว่ายินดีในหนึ่งอารมณ์เนี่ยตัณหาคือสมุทัยสัตว์อะโยนให้ทุกษัตริย์ ท, ทันทีเลยเพราะฉะนั้น เขาเป็นเหตุที่ประมวลมาเขาเป็นนิทานแห่งทุกข์เขาเป็นปัจจัยที่สำคัญแห่งทุกข์เขาเป็นปริโทษของทุกข์ทั้งหมดเลยนะเขาเนี่ยเป็นตัวโยนทุกข์มาให้คำว่าทุกข์เนี่ยของเราอาจจะมองแค่เออทุกข์ข้างวันข้างหน้าแค่นั้นเองนะแต่ที่จริงแล้วอันนี้นี่คือท่านมองไปเรื่องภพชาติทั้งนั้นเลยนะเพราะตัณหาเนี่ยเป็นตัวที่โยนปฏิสนธิในภพใหม่โยนให้มีวิบากกรร ม, มชรุปใหม่ๆ อันตันหาที่เกิดขึ้นในครั้งเนี้เป็นปัจจัยให้วิบากกรร ม, มชรูปชาตินี้ด้วยนะบางอย่างเป็นทิฏฐธรรมใช่ไหมก็ให้เป็นวิบากกรร ม, มชรูปในในทิฏฐธรรมก็มีบางอย่างก็เป็นอุปเชให้เป็นชาติหน้าให้เป็นชาติต่ อ, ตอไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเมื่อตันหายินดีในทุกอารมณ์เนี่ยตันหาไม่ได้เบาบางแล้วพบชาติเราจะเบาบางได้อย่างไรอตันหานี้จะเป็น อุปัจชาหรือว่าเป็นทิฏฐธรรมยังไงครับเนะี่ยเพราะว่าไม่ใช่กรรมอะครับจรงิงๆเขาก็เกิดร่วมกับกรรมน่าจะเป็นเรื่องของอุปนิสัย ป, ปัจจัยไม่ใช่หรอครับอ่าใช่แต่เขาก็เกิดร่วมกับกรรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นบริวารของกรรมเขาเนี่ยเป็นตัวให้กรรมให้ผลถ้าไม่มีตัณหาทักอย่างนะกรรมถึงจะทํามากขนาดไหนกรรมนั้นก็ไม่ให้ผล ในบรรดาคนที่กุศ ล, ลจิตเกิดมากที่สุดนะถ้าเอาจิตนะคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสำมพุธเจ้าแต่ทําไมมหากิริยาเหล่านั้นไม่มีผลที่จริงมหากิริยาก็คือมหากุศลนั่นแหละที่เกิดในสันดานของพระอรหรันตพระพุทธเจ้าเป็นคนที่มีกรุณาที่สุดคิดดูนะทุกคําที่พระองค์พูดเนี่ยเกิดจากมหากิริยาจิตถ้าเราก็คือเกิดจากมหากุศลอ่าพระองค์เนี่ยแสดงธรรมมากมายมหาศาลกรรมเหล่านั้นไม่ให้ผลเลย ไม่เป็นผลเลยเพราะไม่มีตัญหาเ ป, เป็นเชื้อแต่ถ้าของธรรมดาของเราทั้งหลายทั่วไปเนี่ยจะมีตัญหาบริวารหน้าหลังเลยเนี่ยตัญหาถ้าไม่ล้อมหน้าก็ล้อมหลังบางครั้งเนี่ยก็แทรกระหว่างระหว่างเนี่ยนะมาสับวางให้เบ็ดเสร็จหมดเพราะฉะนั้นตัญหาที่มาสับวางเป็นต้นพวกนี้แหละเป็นเชื้อให้กรรมให้ผลแล้วก็ไอ้ตันหาที่เกิดร่วมกับกับกำอันนั้นก็ยังให้ผลไปอีกก็ ที่ท่านกล่าวว่าเมื่ อ, อตันหาสมมติทางตาเกิดเมื่อไหร่เนี่ยครับนั่นน่าจะเป็นอุปเสียปัจจัยไปให้ตาเกิดแล้วในในในอนาคตใช่ไหมครับพ้าเกิดตันหาถ้าเกิดชอบคอมพิวเตอร์นี่นะครับต้องเกิดตายแน่ๆเลยใช่ก็ถ้ายินดีในสีก็คือทุกสีะนะลืมตามองเห็นสีปั๊บเนี่ยนะตันหาอันนี้เป็นอุปนิสัยให้มีตา แต่ว่าจะตาดีไม่ดียังไงตาสัตว์ตาคนขึ้นอยู่กับกรรมขึ้นอยู่กับกรรมว่าถ้าหากว่ากรรมให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานอากุศลให้ไปเป็นเดรัจฉานตันหาที่ยินดีในสีเนี่ยให้ไปมีตาแต่กรรมที่ที่ไปให้เดรัจฉานน่กรรมประเภทนั้นให้มีตาเนี่ยนะที่ว่าตันหาที่ยินดีในสีเป็นเหตุให้มีตาเนี่ยไม่ใช่อาตมากล่าวนะวิสุทธิมรักษ์กับดีกาวิสุทธิมรักท่านอธิบายไว้อย่างนั้นเนี่ยนะ ส่วนในที่อื่นยังไม่ได้สังเกตเลยว่ามีในคำพรีรอื่นอีกไหมที่กล่าวไว้ในลักษณะนี้แต่ที่ที่กล่าวว่ายินดีในสีเมื่อไร่ก็เท่ากับสร้างตาก็คือกล่าวตามในวิสุทธิมักคําว่าจาักขคูภาษาธาเนี่ยนะคือความใสของมหาพูทธรูปมหาพูทธรูปนั้นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดจกักรคูภาสาทะมหาพูทธรูปนั้นเกิดจากกรรมเมื่อมหาพูทธรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยกรรมอะไรที่ทําให้มีมหาพูทธรูปอันนั้น ท่านก็บอกว่ากรรมที่ตันหาที่ยินดีในรูปรูปปัตันหานั่นแหละเป็นปัจจัยให้กรรมอ น, นั้นให้ผลเป็นมหาพุรูปเป็นจกักรคูปสาทะหรือคนที่ทําบุญแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีตานั้นเหตุให้มีตานี่มีสองลักษณะ 1. ยินดีในตายินดีในสีเป็นปัจจัยให้เกิดตาสองบางคนทําบุญเพื่อตั้งความปรารถนาให้มี ตาโดยตรงเลยทำกรรมทำกรรมเพื่อให้มีตายกตัวอย่างท่านอรุธะใช่ไหมท่านทําบุญเพื่อให้มีตาให้มีตาธรรมดาถ้าตาธรรมดาไม่มีตาทิพย์จะเกิดไม่ได้ตาทิพย์จะไม่เกิดแก่คนตาบอดนั่นแะแต่ว่าไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อเห็นด้วยตาทิพย์แต่ว่าตาทิพย์อาศัยตาเนื้ออีกครั้งนะตาเนื้อเป็นปัจจัยคือตรงนี้มีมีความสำคัญแล้วก็น่าสนใจมากเพราะว่าตราบใดที่เรายังมี ตันหาหรือราคาอยู่นี่นะครับหมายความว่าอยายตนะต้องมีแน่นอนถูกไหมครับการเจราภายในต้องเกิดแน่นอนเจพราะฉะนั้นถ้าเกิดตันหาเราหมดโดยสมุดเฉดนะครับอยายตนะจะมีมาจากไหนถูกไหมครับไม่ต้องอไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันต้องไม่มีแล้วเฉยพอแม้แต่พรหมเนี่ยนะพรหมทําไมพรหมจึงมีตาเพราะพรหมยังยินดีในอารมณ์อยู่เช่นการยินดีของพรหมนี่คืออะไร พร om นี้เจริญกสินใช่ไหมจึงไปเกิดเป็นพร om ดังนั้นพรหมยังยินดีในรูปกสินเป็นต้นอันรูปประพร om จึงมีมีตาเนี่ยนะนะแล้วก็หูนี่ไม่ทราบยังไงนะก็ห า, หายังยังจะศึกษาคําอธิบายต่อไปแต่พร om เองก็ยังยินดีในรูปกสินเป็นต้นเนี่ยนะแต่ถ้าอรูปประพร om นะละความยินดีเหล่านี้หมดเลยเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าอากาสานันจายตนะได้นั้นจะต้องละ รูปปรสสัญญาคือละความยินดีในรูปปัะชานท์ทั้งหมดละปฏิฆาสัญญาละสัญญาที่เกิดร่วมกับทวิปัญจาวิญญาณทั้งหมดไม่ยินดีเมสักอย่างเดียวและก็ละนานัตตาสัญญาละจิตที่เหลือ44ดวงคือหมายความว่าทั้งอกุศลก็ละมหากุศลก็ละหากิริยาอะไรก็ละไม่มียินดีในอากามาวจรจิตที่เหลือเลยสรุปแล้ว ไม่ยินดีในปฏิฆาสัญญาและก็นานตตาสัญญาก็คือไม่ยินดีในกามาวจรจิตทั้งหมดละรูปสัญญาก็คือละอรูปาวจรจิตทั้งหมดเนี่ยนะแล้วก็เข้าอากาศานัญจาญตนะโดยมนัสิการว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเขาไม่มียินดีเลยในในทุกๆอารมณ์เหล่านี้เขาเจึงไปเกิดเป็นอรูปปรมได้ แต่ถ้าหาว่ารูปประพรมก็ยังยินดีในสีอยู่เนี่ยนะยังมีรูปปตัตนหายังมีสัทธาตันหาแต่คันท่ตันหาเป็นต้นพรหมไม่มีนะเพราะว่าคนที่จะเข้าฌานได้จะต้องรังเกียจในวัตถุกรรมเนี่ยนะวัตถุกรรมที่เกื้อกูลต่อกลิ่นต่อรสและต่อโผลพราะพันคนที่จะเจริญฌานที่จะเป็นพรมหมได้จะต้องรังเกียจไ อ, อ้กามพวกนี้เหมือนกับพระ อ, องค์ตรัสว่าเหมือนกับร่างกระดูกเหมือนกับชิ้นเนื้อเหมือนกับ หล่มฐานเพลิงเหมือนกับคบเพลิงเหมือนกับความฝันเหมือนกับผลไม้เหมือนกับของขอยืมเข้ามาหรือว่าเหมือนกับาดาบของมีคมเหมือนกับหอกเหมือนกับเหลาแล้วก็เหมือนกับหัวงูเห่านะคนที่เห็นโทษของกามขนาดนี้จึงจะเจริญฌานได้จึงจะได้ฌานถ้าไม่เห็นโทษของกามอย่างไรฌานเข้าไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าหากว่าคนที่ได้ฌานถ้ายังเกี่ยวข้องกับกามเดี๋ยวก็เสื่อมหมด นะก็เหมือนกับที่ที่ในพระไตรปิฎกหรือในอรรถกถาหลายแห่งกล่าวถึงขนาดสมณเณรที่ได้ชาญเป็นต้นเนี่ยนะท่านก็เหาะไปฟังเสียงร้องเพลงเนี่ยที่ที่เขาร้องเนี่ยนะชานได้เสื่อมเลยถ้าสมัยนี้ใครได้ชาญ น, นะเหาะได้เนี่ยลําบากนาะผ่านสวาวยนะ้ําผ่านอะไรขึ้นมาก็ยุ่งอะไแย่แ <c oughs> yeah, นะ่เพราะฉะนั้นอย่าไปเหาะมาแถวแถวเมืองเด็ดขาดอย่าไปเที่ยวทะเลเด็ดขาดเล ย, ต, เลยต่อตกใกล้ๆชายหาดนี่แย่เลย มันก็ต้องหาไปตาเงียบๆหน่อยแล้วแล้วอย่างนั้น <c oughs> ที่ว่ารังเกียจรังเกียจกลิน่นรสผลิพภะแต่ว่าทางตาทางหูคือทางวรณณสัตธะเนี้ยก็ไม่รังเกียจแต่ว่าที่ว่าไม่รังเกียจนี่คือไม่รังเกียจในรูปกรสินนะครับไม่ใช่แต่ว่ารูปทั่วๆไปเนี่จะรังเกียจแต่เพราะว่าทั้งสองอย่างนี้คือทั้งวรณณแล้วสัตธะเนี่ย จะอำนวยประโยชน์ได้มากกว่ายัางถึงเรืยังยังต้องยังต้องเกี่ยวข้องอยู่ใ ช, ใช่ไหมทีนี้เราย้อนมาที่เรื่องของฉดาสูตรเท่าที่สังเกตดูนี่ท่านจะกล่าวว่าเป็นเรื่องของการรบชัดการรบชัดเนี่ยมันเป็นตะข่ายเป็นคล้ายๆที่เราเกี่ยวประสานไว้เลยเกี่ยวกระสานกันเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเมื่อกี้นี่ มันจะเกี่ยวกับเรื่องของตัญหาเจตานล้วนๆเหมือนอกันว่าตัญหานั้นบริสุทธิ์เลยเพราะว่าไม่มีอย่างอื่นมาปนมาเลยมันจึงจะเป็นชัดที่สารประสานกันไม่มีรอยรอยบุบสลายเลยเพระาะอะไรเพราะว่าเท่าที่สังเกตดูในนี้จะมีแต่เรื่องของตันหาเท่านั้นเองท่านไม่ได้กล่าวถึงเรื่องของโทสะกพอกล่าวถึงตันหาแต่อย่างเนี่ยนะอย่างอื่นเนี่ยมาหมดเลย เพราะว่าตันหานี้เป็นศีสะเนี่ยนะเป็นศีษะของสังสารวัตรเหมือนกันนะเมื่อตันหาเกิดสัอย่างเดียวเนี่ยอาศัยตันหาทําให้เกิดการสแสวงหาเป็นต้นเนี่ยนะอาศัยตันหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยแก่พบเนี่ยนะคำว่าพบนั้นทั้งที่เป็นกรรมมพบและอุปติพบเป็นต้นตันหานั้นเมื่อกล่าวถึงตันหาคือสมุทัยสัตว์สอย่างเดียวเนี่ยนะทุกสัตว์อย่างอื่นก็เท่ากับกล่าวแล้ว อกุศลก็เหมือนกันอกุศลเนี่ยตามลักษณะของเนติปกรณ์เมื่อกล่าวอากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาอากุศลที่เหลือเท่ากับกล่าวแล้วเนี่ยนะนะอกุศลที่เหลือเท่ากับกล่าวแล้วแต่ขอให้สังเกตว่าเทวดาถามว่าจะละสมุทัยสัตว์ได้อย่างไรเมื่อไอ้ตัณหามันเกิดมากขนาดนี้เนี่ยนะจะละได้อย่างไรเนี่ยนะก็คงจะเป็นพรุ่งนี้มั้งเนาะ